อัลลัลมดุาฮฺุัตตาลลัลลอฮฺุอัลลอฮฺุอัลลอฮฺุอัอฮอัุรัอฮฺุอัลลอฮฺุััลรอฮฺุออุอัลอฮฺุอัลลอฮฺุอัลลอฮฺุอัลลอรฺุอัลลอฮฺุอุอัุอัลลอฮฺุอัลลอฮุลลอฮฺุอัลลอฮฺุอาลลัลลอฮฺุอัลล รู้กันว่าอัลลอฮฺสุบฮานุฮตาลาได้ประทานคุรานให้ท่านนาบีสุลตานลอฮ่วยเลยหัวสั้นลำเป็นมุเอจิศาสักที่แสดงให้เห็นถึงการเป็นนบีเป็นมุเอจิศาส์ที่พวกมุชชีริกีนยอมรับว่าท่านนาบีสุลตานลอฮ่วยเัยหัวสั้นลำเป็นผู้ที่ทําการทํำการดาวะไปสู่อัลลอฮฺสุบฮานุฮตาลาโดยที่ได้รับวาฮี แลว้ววะอัลกุรอานคือสิ่งที่พวกวิเชีเนไม่สามารถที่จะนำคำพูดเหมือนกับอัลกุรอานได้ทั้งที่พวกเขา เ, เป็นชาวอาหรับแท้และอยู่ในยุคที่ค น, เ, นเก่งกันในเรื่องของกา ร, การใช้ภาษาอาหรับ เ, เราได้เรียนรู้กันมานะในสุรร๊ก่อนหน้านีน้วันนี้เรามาอยู่ในยุคที่ 19กนะฮะก็ถือว่ามาเกือบ2อส่วนสของของอัลกุรอานนะฮะถือว่าเราทำอยุลแล้วนะฮะกับการที่เราได้พยายามในการเรียนรู้ทําเข้าใจกุรอานวันละเพียงแค่ครึ่งชั่วโมงนะวันนี้เราได้ทําเข้าใจกุรอานมาโดยใช้เวลา 4-5 ปีเนี่ยนะนะกับการทําความเข้าใจกันมา19ยุสนะครับอัลฮัมดุ ล, ลิลลาห์วันนี้เรามาถึงสุรา อัชชุอารอนะซุ拉ชุอรอเป็นซุ拉ที่อัลลอฮ์ سبحانه และได้กล่าวถึงเรื่องราวของของบรรดานาบีนะครับเป็นซุ拉ที่อัลลอฮ์ได้บอกเล่าให้เราได้ได้ได้ได้ไดเรียนรู้บทเรีย น, นบทเรียนที่อัลลอฮ์ سبحانه ะได้บอกผ่านท่านนับีซอัลลอฮของอะลัยฮุสัลลัม สซล่เรเิ่มต้นด้วยคาว่าตอซมีเป็นหนึ่งในหนึ่งในพูรมุตัเช่นอลลมิมามิมหรือว่านูนหรือว่าซอดตอซีนมีมอ้ยาฮราในวันนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในพูรูมุต ที่ใช้ในการในการเริ่มต้นเริ่มต้นโซร์นะนะดังที่เราได้พูดคุยกันมานะตั้งแต่ในโซร์บักร์ร์นะที่เริ่มต้นด้วยอัลิฟลามีมนะซึ่งบรรดานักวิชาการก็มีมีความเห็นกันแตกต่างกันไปในความหมายของฮารุฟก็ต้าตรงนี้เนะี่ยบางคนบอกว่าความหมายเนี่ยเป็นความหมายที่อลอสซูบฮานัวตารตาเท่านั้นที่เป็นผู้ที่ เพราะฉะนั้นความหมายต่อซีนมีมเนี่ยเราเอาความหมายกลับไปหาลอซซุบานวยตายลาแล้วก็บรรดานวิชาการเหล่านี้ก็ไม่ไ ด, ไได้ไม่ได้ทำการทาการตัดซีรนะฮะเหมือนเดังที่ท่านอิห ม, ม่ามกุลตูบีได้ได้กล่าวเอาไวนะ้ที่ได้มีรายงานจากท่านอ บ, บูบัติท่านอวร ทนอุมทาทนะอา l i ทนะอับดุลมัสโกรดรับด้อัลลอฮุอะนฮฺมอัจมา ع ีนทนะอามร์อัชชะบีซุฟยานอัลธอรีรบเบียแล้วก็อบูฮานเตมอับดุฮิบบานก็เป็นคนที่เลือกทัศน์นี้นะครับบางคนก็ทําการตัฟซีดหมายความว่านักวิชาการตัฟซีดบางท่านเนี่ยได้ทําการตัฟซีดแล้วคนที่ทําการตัฟซีดเนี่ยก็มีการมีการให้ความหมาย ท, ที่แตกต่างกันไป นะฮะซึ่งเราได้เราได้ทำการพูดคุยกันไปแล้วนะฮะในตอนในตอนต้นของสุรสรัตบกระมาดูกันต่อนะฮะพี่น้องในในสุรชโยรรัตอรรัตสุภานุตาลาได้สงสั์ไว้ในในตอนต้นสุราชุยร ala, รัเนี่ว่าตอสีนมี T ิลค์ุล -kitabil-mubin ทุล -kitabil-mubin เป็นการกล่าวถึงอายะที่อัลลอสุบฮานวะตาลาได้ประทานลงมาว่า T ิลทุล -kitabil-mubin อ, อันนี้เนี่ยคือคืออายะคือองค์การนะองค์การที่อัลลอสุบฮานุวะตาลาได้ทาการประทานลงมาซึ่งเป็นองค์การที่ชัดเจน นะติลกาอายาตุลกิตาบิลมูบินเป็นองค์การที่อง์สุบานุตาลาได้ประทานลงมาอย่างมีความมีความชัดเจนในการในการประทานลงมาของของพระ อ, องค์ a l l a سبحانه และ تعالى ได้กล่าวว่าเล่าก่บาฮีนัฟซักอ้าว่าจะเป็นมุมินนหวังว่าเจ้าเนี่ยมีความหนักใจนะ Allah سبحانه ละ تعالى ได้บอกกท่านอบดุลเลาะห์สุลลัลฮุวาสัลลัมว่าหวังว่าเจ้าน่ยมีความมีความหนักใจบาฮีนัฟซัก หมายความว่าท่านนบีสุลต่านองไอ้ไรหัวสั้นลำเนี่ยเป็นคนทีน่จริงจังนะจริงจังในการที่จะจะให้บรรดาสหาบะติให้บรรดาชาวอาหรับเนีน่ยคนที่ท่านนบีทําการด่าวะเนี่ยทำการศรัทธา Allah subhanahu wa taala กรานะย์นะย์อายัะเล่าก้าาในพนาอระเจ้าที่ทรงเนทักะงหลากนอยูในโลกละกคบที่อยูนสวรลกนอยูในสวรที่อนสวรรค์ที่อยู่วอยูในรที่อยูนสวทู่นสที่อยูในที่อานรที่อยะ่ในที่เนรี่ยูในว่อใน์ที่อรียกสวี่ย์อยสีย์ อายะที่อัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลาประทานลงมาปอบใจท่านนาบีสลลัลฮะอะลัยฮสัลลัมนะว่าเวลาที่บรรดาพู้มิชิกเนไม่ได้ทำการศรัทธาเนี่ยก็คือเจ้าอย่าไปอย่าไปหนักใจอะไรมากเมื่อน่าที่อัลลาฮฺ تعالى ได้กฟฟล่าวว่า فلا تذهب نفسك عليهم ح س คือเจ้าอย่าอย่าเอาตัวเองเนี่ยไปไปหนักใจอะไรกับพวกเขาให้มันให้มันมาก และในสวนการที่เราเรียนรู้ผ่านกันมานะอัลล์สุบฮานุวะตาลาก็ได้กล่าวปลอบใจท่านนบีว่าฟาละอัลละกบาคาุนนฟสกาอัลละอาซาริหมอิลลัมยุมินูบิฮาดัลฮะดิษอัสฟาในความหมายที่ใกล้เคียงกันนะหวังว่าเจ้าเนี่ยจะมีความหนักใจกับตัวเองมากนะในเหตุในการที่พวกเขาทั้งหลายไม่ศรัทธากับอัลกุรอาน เพราะฉะนั้นท่านนาบีสุลตลล่านละหออะลีวาซัลลัมเป็นผู้ที่จริงจังในการทําการดา ว, วะจริงจังในการที่พยายามในการที่จะให้พู้มุชีกีนเนี่ยให้คนที่ท่านนาบีทําการดา ว, วะเนี่ยมีการศรัทธามีการยอมรับและในบางครั้งทําให้ท่านนาบีรู้สึกมีความหนักใจในการที่เขาไม่ศรัทธาเอาพระตาลาจุมทานะยะนี่ลงมาว่าติลกายต้นเกตาบิลมมบินหมายเขาบอกให้รู้ว่า อายะที่อัลลอฮฺสุบฮานุว yup> ฺตาลาประทานลงมาเนี่ยเป็นอายะที่ชัดเจนอยู่แล้วนะเป็นคำพีที่มีความชัดเจนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นละนลักะบาฮิยุนนัฟซักะอัลละหลักะบาฮิยุนนัฟซักะอัลลาย์คุนมุเอมินอฺหวั่นวะเจ้าเนี่ยจนจะหนักใจเหรอในการที่เขาไม่ศรัทธาต่อมาอัลลอฮฺสุบฮานุอฺตาลาได้กล่าวในอัลตมาว่าอินนะชะ ถ้าหากว่าเรามีความประสงค์เน ja ี่ยนะเราก็คงจะประทานอายะที่ให้พวกเขาทั้งหลายเนี่ย มีการศรัทธาอย่างอย่างจริงจังหมายความว่าเป็นการบังคับให้เขาทำการศรัทธาแต่ว่าอัลลอฮฺตาลาไม่ได้ไม่ได้ทำแบบนี้พี่พระองค์ได้บอกว่าอินชะอุนัซิลอลลัยฮิมมินอสซามาอีไอตันฟัลละตอัลนาโควุมลาฮาคอาวิอีนหากเราไม่ทำแบบสองเนี่ยเราก็จะประทานป็นทานอายาลงมาจากฟากฟ้า ที่เป็นอายะที่ให้พวกเขาเนี่ยมีอาการยอมจำนนในในการศรัทธาตรงนั้นเลยแต่ว่าอัลลอฮฺตาลาไม่ได้ไม่ได้ทําแบบนั้นอัลลอฮฺตาลาต้องการให้การมีอิมานเนี่ยมาจากการยอมจำนนที่เป็นการเป็นการเลือกของเขาเป็นการเป็นการที่เป็นการยอมจำนนที่มาจากมาจากตัวของเขาไม่ใช่เป็นการเป็นการบังคับ ในสุรายุน uh um ัสอัลลอฮ์ تعالى บอกว่าว ل و شَرَبُكَ ل َกَ م َ ن َมَ ن ْ فِي الْأَرْضِ อัลลอ์ลบอกว่าถ้าหากว่าผู้อิบานของเจ้าเนี่ยมีความประสงค์คือถ้าหากว่าอัลลอฮ์บ ب ح ا ن ه ะมีความประสงค์เนี่ยและอามนะมันฟ uh um ิลอาร์ด์คุลุห์มจมีอันผู้คนที่อยู่บนหน้าพื้นดินทั้งหมดเนี่ยจะทาการศรัทธากันทั้งหมดเลย อัลฟาอัลตุกุริฮุนนะสะฮัตตียกูนมุมินีนเจ้าจะเป็นคนที่บังคับผู้คนให้ศรัทธากันจนเขาศรัทธากันหมดเลยเหรอเป็นอย่งปลอบใจท่านอัานนาบดุลอลาะห์ลลัฮุอะลัยโมะสารลับให้ท่านอบีได้รู้ว่าถ้าอัลลอฮฺตาลาต้องการให้คนศรัทธากันหมดเนี่ยพระองค์ทําได้แต่พระองค์ต้องการที่จะทําการทดสอบนะทดสอบในการศรัทธาของผู้คน พอองได้กล่าวอีกอายันหนึ่งว่าเราเช่ารับบุคลาจะเอารนสัมมตัวเดียวและถ้าหากว่าผู้บาญของเจ้าเนี่ยมีความประสงค์พระองค์อองก็จะทําให้ผู้คนเนี่ยเป็นประชาชาติเดียวกันเลยเวลาจะรูนะมุขตลีฟีนแต่ว่าพวกเขาทั้งหลายยังคงมีความขัดแย้งกันอยู่อิลามะรรพิรบบุคยกเว้นคนที่อัลลอฮ์สุบฮานุาตาลาได้มีความ มีความเมตตาเนะมตตา ก, กับเขาวาลิดานี่เขาละกอดหุมแล้อัลลอฮฺตาราได้สร้างได้สร้างพวกเขามาแบบนี้แหละหมายความว่าอัลลอฮฺตาราได้สร้างมนุษย์มาแบบนี้แหละแบบที่ให้มีความขัดแย้งกันเพราะฉะนั้นอัลลอฮฺตาราจึงบอกกับท่านนาบีสุลต่านว่าสร้างให้ท่านนาบีได้รู้ว่าอุรอานที่ประทานลงมาเนี่ยชัดเจนแล้วหน้าที่ของเจ้าในการอธิบายในการบอกกับผู้คนให้มีการศรัทธา แล้วถ้าอรรถตาลาประสงค์อยากจะให้ผู้คนศรัทธาทันหมดเนี่ยพระองค ال ์ก็ทำได้ว่มาเยติหิมมินทิคริมินอัลราะห์มะนมุฮดัตอิลลากานู عنه มูอาริฎินตามะลัซบฮานุตะเลกันอียะทามะวะว่ามาเยติหิมมินทิคริมินอัลราะห์มะนมุฮดัตอิลลากานู عنه มูอริฎิน และไม่ว่ามีอายะใดมีคําเตือนใดที่มาจากอลอสสุภานุตาลามหาพวกเขาที่เป็นเป็นเป็นเป็ น, ปน อ, องค์การเท่ลรัตราประธานมาเนี่ยพวกเขาทั้งหลายก็จะพินหลังให้หมายความว่าทุกครั้งกรมนุษย์เนี่ยนะทุกครั้งที่มีมีคำพีใดที่ประทานลงมาจากฟ้าฟ้ามนุษย์ส่วนมากก็จะผินหลังให้ เป็นการบอกให้ท่านอับดุลัลาะห์ซุลแลมได้รู้ถึงถึงธรรมชาติของมนุษย์ว่าเวลาที่มีมีการประทานคมภีร์ลงมาจากฟากฟ้าเนี่ยมนุษย์ส่วนมากก็จะพิ้นหลังให้ก่อนเลยแล้วก็จะค่อยๆมีการยอมจำนวนมีการศรัทธามีการศรัทธามีการมีการทำควาใจกันมาเรื่อยๆเหมือนอย่างที่พระองค์ได้กล่าวว่าในโซร้อยยูยูซุฟว่าว่ามาอักษรุ่นนาซีว่าเราพารสต์บิมุ่มินิน และคนส่วนมากเนี่ยถึงแม้ว่าเจ้าจะเอาใจใส่อย่างจริงจังเนี่ยพวกเขาก็ยังยังไม่ศรัทธาเราตรงนี้เนี่ยเป็นเป็ น, ปนทั้งอายะปลอบใจท่านอับดุลเลสลลัลลอฮุอะลัยลฮิวามแล้วลก็เป็นทั้งอายะที่ให้เราได้นำมานามาคิดค่ายควรในการในการทำการดาวะว่าเวลาเราเราทำการด่าวะทำการบอกผู้คนเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราเป็นคนที่ทำการบังคับกับผู้คน อัลลอฮฺตาลายัางบอกกับท่านดามีน ส, สลุลลาร์ว่าอะไรวะซัลลัมเลยว่าหน้าที่ของเจ้าคือการเผยแพร่นะแล้วก็ไม่ต้องมีการหนักใจแต่ทําการเผยแพร่ด้วยกับองค์การที่อัลลอฮฺสุบฮานุวฺตาลาได้ประทานลงมาโดยกับอัลกุรอานที่อัลลอฮฺตาลาได้ได้ทำการประทานลงมาให้เราได้ทําความเข้าใจแล้วหลักฐานที่นั้นกุรอานเนี่ยมีความชัดเจนอยู่แล้วดังที่อัลลอฮฺสุบฮานุวฺตาลาได้บอก ทีนี้พอเวลาที่อัลลอฮฺทาราประทานอายะฮ์ลงมาให้กับบรรดากลุ่มชนต่างๆนะครับฝ่ากอดกัจะบูเฟศยะตีหิมอัมบาอูมาการูบิฮิอัลซะฮซีอุนฝ่ากอดกัจะบูแท้จริงพวกเขาทั้งหลายได้ปฏิเสธปฏิเสธแล้วนะปฏิเสธอายะฮ์ต่างๆเฟศยะตีหิมอัมบาอูมาการูบิฮิอัลซะฮซีอุนแล้วเดี๋ยวจะมีข่าวข่าวที่พวกเขาทั้งหลายได้เคยดูถูกเหย็ดยำเนี่ยจะมาหาพวกเขาหมายความว่า สิ่งนี้เขาเคยดูถูกเคยเย็ดยามอยายันคุรานองค์กลางกุรานหรือว่าองค์การคำพี ต, ต่างๆที่อัลลอฮสุบฮานุอัตサาได้ประทานลงมาเนี่ยที่พวกเขาทั้งหลายได้เคยดูถูกว่ามามาได้ยังไงมาจากใครมาอะไรยังไงดูถูกองค์การของอัลลอฮสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะมาให้เขาได้เห็น ว่าَะยังรู้ที่นั่งที่นี่ที่นี่ที่นี่ที่นี่ที่นี่ที่นี่ที่นที่อธรรมเนี่ยเดี๋ยวเนีเเ่ที่ น, น, นี่ที่นี่ยเ่นี่ที่นี่ที่าี่ที่นที่นีับี่นี่ที่นี่ท่น่นนีนี่นี่ที่นที่นที่ที่ที่เป็นงงี่่นี่ที่นี่ี่นี่ที่นี่ที่่าการปฏิเสธของเ่นีนี่ยในวันก่ที่นี่ทีนีาที่นีบ่นี่ที่นี่ที่่ท่ สิ่งที่จะเป็นการตอบแทนคนที่ทำการปฏิเสธอยายะขอรับสุบฮานูตาลาเนี่ยมันจะจะเป็นยังไงนะต่อมาลตาตะลาได็กะ่ามาว่าอวะลัมยารออิลลัลอัลดิคัมอัมบัตนาฟีฮามิงคุลลิเจลจิงกะรีมเขาไม่ได้ไม่ได้มองไปยังพื้นดินหรือว่าเราได้ให้มีการมีการงอกเงยขึ้นมา นะของอสิ่งที่ง่อเงยขึ้นมาพืชพันธัญญาหารเนี่ยงอเงยขึ้นมาอย่างไรนะหมายความว่าลองสมภารนุวตาราได้ทําการทําการอบอกให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์บอยหเห็นถึงความสูงส่งของพระองค์ในเรื่องของออบรรดาผู้ที่ปฏิเสธเนี่ยนะนะปฏิเสธบรรดารอสูตรปฏิเสธ ท, ทั้งทั้งที่ บรรดาเหล่าูนเนได้รับคัมพีเจ้ า, า, าลอสุภานุาตาลาปฏิเสธอัลลอฮ์สุภานุตาลาปฏิเสธในการอิบาร์ดาต่ออัลลอฮ์ทั้งๆที่อัลลอฮ์เป็นผู้ที่มีความสามารถและพระองค์ก็ได้บอกให้รู้ว่าอาวะลัมเยเร า, าอิลอัลอัลเดกามอันบัตนาฟีฮะเขาไม่จะมองไปยังพื้นดินหรือว่าเราได้ให้พืชพันธัญอาหารเนี่ยมันมันมันงอกเงยขึ้นมาอย่างไรหมายความว่าบรรดาคนเหล่านี้เนี่ยพื่น้องเขาได้มีความเข้าใจแล้วก็ยอมรับว่าอัลลอฮ์ตาลาเป็นผู้สร้าง ยอมรับว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นบนโลกดุนยาเนี่ยมาจากการสร้างของอัลลอฮ์สุบฮานุวฺตายละอัลลอฮฺตาราฮ์ก็เลยให้เขาได้คิดให้ควรว่าในเมื่อพวกเจ้าได้ยอมรับว่าอัลละฮ์เป็นผู้สร้างชั้นฟ้าต่างๆสร้างพื้นดินได้สร้างให้พืชพันธุ์ธัญญาหารนี่การงอกเงยขึ้นมาเนี่ยมันแสดงถึงความยิ่งใหญ่ขนาดไหนในความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์สุบฮานุวฺตายละเพราะฉะนั้น ในการในความยิ่งใหญ่ของลอตตาลาเนี่ยที่พระองค์ได้ได้สร้างให้มีพืชพันธุ์ธัญญาหารขึ้นมาเกิดการงอกเงยขึ้นมาแล้วทําไมเจ้าไม่ทําการอิบารดาต่อลอสุบฮาโนอาตาลาเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายเอาลอสุบฮาโนอาตาลาให้เราได้เห็นถึงสิ่งที่พระองค์สร้างเอาลอตตาลาให้เราได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์ผ่านทาง อ า, อายะเกวนียะอายะเกวนียะก็คือการสร้างของอัลล์สุบฮานูร์ตาละแล้วก็ผ่านทางอายะชอียะก็คือบทบัญญัติที่อัลลอ์สุบฮานูร์ตาละได้ประทานลงมาและพระองค์ได้บอกว่าอินฟีดานิกาละอายะแท้จริงในเรื่องนี้เนี่ยถือเป็นเป็นอายะเป็นสัญญาณ น, นะนะ เป็นสัญญาณที่ให้เห็นถึงความสามารถในการสร้างสิ่งต่างๆที่เอเลสสปานโนตาลาได้แผ่ให้พื้นดินเนี่ยแผ่ออกมาเอเลสาตาลาให้ให้ชั้นฟ้าเนี่ยมีการมีการถูกยกขึ้นมาให้เราได้เห็นและถึงแม้ว่าเราจะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของเอเลสบปาโนตาลาขนาดนั้นเนี่ยบรรดาผคุบเสธ ก็ยังยังทำการปฏิเสธแล้วอัทธ า, าได้บอกว่า <S <S <ess> วามากาณอักซสรุหุมมุมีนีนและพวกเขาทั้งหลายก็ยังยังไม่ยอมเป็นส่วนมากนะส่วนมากของพวกเขาเนี่ยก็ยังไม่ยอมเป็นผู้ที่ศรัทธาหมายความว่าทั้งทั้งที่องค์การของลัทธสุภานุตาลามีความชัดเจนนะ ท, ทั้งทั้งที่ลัทธสุภานุตาลาได้ได้ได้ประทานอายะห์ต่างๆลงมาอย่างอย่างมากมาย การปฏิเสธก็ยังยังมีขึ้นอย่างอย่างง่ายดายเหมือนกันเพราะฉะนั้นพี่น้องอะดังที่เราได้พูดคุยกันไปนะว่าอายะที่ให้เราได้คิดใข้ควรเนี่ยมีทั้งอายะเก้าเนียและก็อายะชราเนียอายะเก้าเนียคืออายะต่างๆที่บ่งบอกถึงความยิ่งใหญ่ในการสร้างของลัทธิสุมาหันวะตาละบงบอกถึงความยิ่งใหญ่ของผู้สร้างเพราะสิ่งที่เราเห็นในสิ่งถูกสร้างเนี่ยเป็นสิ่งที่มีความยิ่งใหญ่ แล้อัลลอฮฺาตาลาจึได้บอกให้เรารู้ว่าใครที่ปฏิเสธทั้งทั้งที่ได้มีหลักฐานมีหลักเกณฑ์ต่างๆมาทั้งทั้งในการสร้างของอัลลอฮฺสุบฮานุวฺตาลาทั้ง เ, เรื่องของบทบัญญัติที่อัลลอฮฺสุบฮานุวฺตาลาได้ประทานลงมาในอัลกุราอานมีอายะอัลกุรอานประทานลงมาที่แสดงถึงความยิ่งใหญ่ของผู้สร้างที่ให้เห็นถึงความสัตย์จริงของนบีที่นำนำสารนี้มาจากอัลลอฮฺสุบฮานุวฺตาลาเนี่ย อลัลลอฮฺตาลาก็ได้บอกถึงบั้นปลายของบรรดาคนเหล่านี้ว่าบั้นปลายของพวกเขาก็คือการการถูกลงโทษจงกระทั่งวันในวันกิยามันนี่เขาจะบอกว่ายาฮิเศษตั้งนั่นเล็นกิบาดีมาเยติห์มีรุสูลินอิลลากานูบีฮิอิสตาฮซีอุนถือเป็นเป็นสิ่งที่น่าเสียดายนะสำหรับสําหรับบรรดาบ่าวบรรดามนุษย์เนี่ยว่าไม่ว่ามีรุสูลท่านใดได้มาหาพวกเขาเนี่ยพวกเขาก็จะมีการดูถูก มีการเยียดย่างนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลาได้บอกเอาไว้หมายความว่าทุกทกครั้งที่มีน บ, บีมาเนี่ยมาทําการดาว่าทําการบอกเนี่ยก็จะมีกลุ่มคนที่ปฏิเสธอลัลลอฮฺปฏิเสธอัลลอฮฺสุบฮานุวะตาล่ะปฏิเสธบรรดาระซูลต่างๆเหล่านั้นที่ได้นํานําบทบัญญัตินํากฎเกณฑ์จากอัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลมาหน้าที่ของบรรดาระซูลที่นํามาบอกเนี่ยก็คือการบอกกฎเกณฑ์ในการปฏิบัติว่า เราจะต้องปฏิบัติอย่างไรบ้างเราจะต้องอยอมจำนวนต่อรัศุบานวตาเราจะต้องออกห่างจากการทำาชืริท ก, การตั้งพายคีต่อรัศุบานวตาอย่างไรและหลังจากที่ได้มีบทบัญญัติมาเนี่ยพวกเขาทั้งหลายก็มีกา ร, ม, การมีการปฏิเสธแล้วหลังจากเวลาผ่านไปก็จะมีการจากบรรณาผู้ปฏิเสธเนี่ย ก็จะมีการยอมจํานวนต่างๆเพราะฉะนั้นบรรดานั บ, บีที่มาทําการไดอาราพี่น้องอะให้เรารู้ว่าเวลาเราทําการเผยแพร่ศา ส, สนาของลัทธิสุภานุตตาลาเนี่ยแล้วมีบรรดาอ บ, บีก่อนหน้านี้เนี่ยบรรดาอ บ, บีที่มาทําการเผยแพร่เนี่ยเขาก็มีทั้งนั บ, บีที่มีคนตอบรับเยอะมีทั้งนั บ, บีที่บรรดาอบีบางคนแทบจะไม่มีคนตอบรับเลย เมื่อท่านนาบีสัลลัลลอฮุอะลัยวะซัลลัมไ ด, ได้ได้ได้รายงานข่าดีนาะที่ดิบเรียนได้ให้ท่านนาบีได้เห็นเนี่ยดิบเรียนได้บอกท่านนาบีเนี่ยพาท่านนาบีไปที่อาร้อนสุพรรณว่าให้ท่านนาบีได้เห็นเนี่ยท่านนาบีได้บอกว่ารอไอตุนนบีว่ามาอาร้อนฉันเห็นนบีนบีวางท่านเนี่ยนะแล้วเขามีคนตามอยู่เพียงอาร้อนอาร้อนนี่คือคนจํานวนหนึ่งประมาณสิบคนไม่ถึงสิบคนดิ วะเราไอตุนเนบีวะมะฮูร์จุลวะรจุลันแล้วฉันก็่เห็นเนบีบางท่านที่มีคนตามเพียงแค่คนหนึ่งหรือว่าสองคนวะเราไอตุนเนบีวะไลสมอาฮูอาหัดแล้วฉันแค่เห็นเนบีที่ไม่มีคนตามเลยแล้วท่านนบีก็ได้ได้บอกว่าเฟอิดะซาวะดุลอัลซินแล้วก็ฉันฉันก็เห็นประชาชาติที่ยิ่งใหญ่เลยประชาชาติที่มีคนเยอะมากเลย ท่านอบีก็เลยบอกอิบราฮิมว่าคิดว่าอันนี้เป็นประชาชาตของฉันยิบินก็บอกว่าไม่ใช่กลุ่มนี้เป็นประชาชาตท่านอบีมูซายเลยอาสนาแล้วนบีบอกว่าแล้วฉันก็ได้เห็นอีกกลุ่มนึงอีกสวารุนอัลเมกลุ่มที่ใหญ่เละกลุ่มที่เยอะมากท่านนบเบียคิดว่าประชาชาตินี่เป็นประชาชาติของของท่านอบียยิบินก็บอกว่าใช่นี่คือประชาชาติมุฮัมมัดสุลลัลฮวยเลยฮุสันลำที่เป็นคนศรัทธาที่ เยอะแยมากมายเพราะอะไรครัพี่น้องที่จะมีความศรัทธาเยอะแยะมากมายเพราะมุญญาจัดหลักที่อัลลอฮฺสุบฮานุอฺตาลาให้กับท่านนะบีเนี่ยแล้วก็ให้มีเหลือจนกระทั่งวันวันวันวันที่พระ อ, องค์ได้ให้ถึงก่อนวันกียามัตเนี่ยนะก็คืออ่านคุรานที่ไม่ว่าใครก็ตามที่ได้อ่านคุรานทําความเข้าใจอ่านุรานได้เรียนรู้ถึงมุญญาจัดของอ่กากุรอานเขาเรียนรู้ถึง ความหาัศจรรย์ของกุรอา่านสิ่งที่กุรอานได้นำมาที่มนุษย์ไม่สามารถที่จะทำได้เขาก็จะยอมจำนนต่อต่ออิสลามเหมือนดังที่ในทุกวันนี้เนี่ยมีคนยอมจำนนในการรับอิสลามเยอะแยะมากมายนะฮะแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยนะในอายะณ์นี้ได้กล่าวถึงเรื่องราวของท่านด บ, บีมูซ่าอิสลามกับฟื้นองูนที่ได้เผชิญกัน นะแล้วเรามาพบกันใหม่นะกับเรื่องราวที่ลสุภาโนทาราได้บอกกับเราในอายะในสุรออัชชุอรอสำหรับวันนี้ก็อวเยพเท่านี้นะอุสสลลลอฮฺแะนบีอินะมุฮัมมัดวะละอัลีฮิวซัล์บิฮิวสัลลัมวัสสลามุอะลัยคุมวะรั์มัตุลอห์วะบะ